พึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้หนึ่งกายานุปัสสนนิเทศเห็นกายในกายภายในตน 356. หิกภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้พิจารณาเห็นกายภายในตนเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไป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 ดีเศเลฐหนองเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตาเปเลวมันน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อหมูดภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีครั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิต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 ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในตนและภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายภายในตนและภายนอกตนเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ําแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปได้วยสิ่งที่ไม่สะอาดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขน เล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสรดหนองเลือดเหงือ่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูก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 การปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความเพียรภิกษุเป็นผู้เข้าถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยความเพียร น, น, ย น, นี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีความเพียร360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 ประกอบแล้วด้วยสัพพัญญะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสัพชัญญะตามร้อยหกสิบเอ็ดในคำว่ามีสตินั้นสติเป็นไฉไหนสติความตามระลึกสัมมาสตินี้เรียกว่าสติภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยสตินี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสติ362ในคำว่าพึงกำรรจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้นั้นโลกเป็นฉไฉนกายนั้นนั่นแหละชื่อว่าโลก อุปาทานขันทั้งหก็ชื่อว่าโลกนี้เรียกว่าโลกอภิชาเป็นไนะความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าอภิชาโทมนัสเป็นไนะความไม่สําราญทางใจความทุกข์ทางใจความเสเวย อ, อารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกริยาเสเวย อ, อารมณ์ที่ไม่สํำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโทมานต์อภิชาและโทมานต์นี้ดังที่กล่าวมานี้ถูกกําจัดถูกกําจัดปราบคาบสงบระงับสงบเงียบดับไปดับไปอย่างปราบคาบถูกทําให้พินาศไป ถูกทาให้พินาทย่อยยับไปถูกทาให้เหือดแห้งไปถูกทาให้เหือดแห้งไปด้วยดีถูกทาให้สิ้นไปในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพึงกาจัดอภิชาและโทมานั์ในโลกได้กายานุปัสสนานิเทศจบ2เวทนานุปัสสนานิเทศ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 อทุกขะมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนามีอามิตรหรือเมื่อเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนามีอามิ t h เมื่อเสวยทุกขเวทนามีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนามีอามิตรหรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรเมื่อเสวยอทุกขธมสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัด <domains> ว <mond ia> ่าเราเสวยอทุกขธรมสุขเวทนามีอามิตรหรือเมื่อเสวยอทุกขธรมสุขเวทนาไม่มีอามิตร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 ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดบุคคลผู้กําลังเสวยสุขเวทนาว่าเขากําลังเสวยสุขเวทนารู้ชัดบุคคลผู้กําลังเสวยทุกขเวทนาว่าเขากําลังเสวยทุกขเวทนารู้ชัดบุคคลผู้กําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาว่า เขากําลังเสวยอทุกขมะสุขเวทนารู้ชัดบุคคลผู้กําลังเสวยสุขเวทนามีอามิ t h ว่าเขากําลังเสวยสุขเวทนามีอามิตรหรือรู้ชัดบุคคลผู้กําลังเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรว่าเขากําลังเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรรู้ชัดบุคคลผู้กําลังเสวยทุกขเวทนามีอามิตรว่า เขากำลังเสวยทุกขเวทนามีอามิตรหรือรู้ชัดบุคคลผู้กําลังเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรว่าเขากําลังเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรรู้ชัดบุคคลผู้กําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรว่าเขากําลังเสวยอทุกขมาสุขเวทนามีอามิตร หรือรู้ชัดบุคคลผู้กําลังเสวยอทุกขมะสุขเวทนาไม่มีอามิตรว่าเขากําลังเสวยอทุกขมะสุขเวทนาไม่มีอามิตรภิกจุนั้นเสพเจริญทําให้มากกําหนดนิมิตนั้นด้วยดีครั้นเสพเจริญทําให้มากกําหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงทรงจิตไปในเวทนาภายในตนและภายนอกตน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 รู้ชัดสุขเวทนามีอามิตรว่าเป็นสุขเวทนามีอามิ t h หรือรู้ชัดสุขเวทนาไม่มีอามิ t h ว่าเป็นสุขเวทนาไม่มีอามิ t h รู้ชัดทุกขเวทนามีอามิตรว่าเป็นทุกขเวทนามีอามิ t h หรือรู้ชัดทุกขเวทนาไม่มีอามิ t h ว่าเป็นทุกขเวทนาไม่มีอามิตรรู้ชัดอทุกขธรรมสุขเวทนา มีอามิ t h ว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรหรือรู้ชัดอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียงมีสัม ป, ปันญยามีสติ พึงกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้364ในคำว่าพิจารณาเห็นในคำว่าอยู่ในคำว่ามีความเพียรในคำว่ามีสัมปชัญญะในคำว่ามีสติในคำว่าพึงกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้นั้นโลก เป็นไนเวทนานั้นนั่นแหละชื่อว่าโลกแม่อุปาทานขันทั้งห้าก็ชื่อว่าโลกนี้เรียกว่าโลกอภิ ช, ชาเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าอภิ ช, ชาโทมานัตเป็นไนความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจ ความเสเวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสเวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนตอภิชาและโทมานต์นี้ดังที่กล่าวมานี้ถูกกำจัดถูกกำจัดรบาบคาบสง บ, บระงับสงบเงียบดับไปดับไปอย่างรบาบคาบ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 สจิตตานุปัสสนานิเทศเห็นจิตในจิตภายในตน365ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้รู้ชัดจิตมีราคะว่าจิตของเรามีราคะหรือรู้ชัดจิตปราศจากราคะว่าจิตของเราปราศจากราคะ ร <departed? |mt|> ู้ชัด <mountains>, จิตมีโทสะว่าจิตของเรามีโทสะหรือรู้ชัดจิตปราศจากโทสะว่าจิตของเราปราศจากโทสะรู้ชัดจิตมีโมหะว่าจิตของเรามีโมหะหรือรู้ชัดจิตปราศจากโมหะว่าจิตของเราปราศจากโมหะรู้ชัดจิตหดหูว่าจิตของเราหดหู รู้ชัดจิตฟุ้งสานว่าจิตของเราฟุ้งซ่านรู้ชัดจิตเป็นมหคะตะว่าจิตของเราเป็นมหคะตะหรือรู้ชัดจิตที่ไม่เป็นมหคะตะว่าจิตของเราไม่เป็นมหคะตะรู้ชัดจิตที่เป็นสัุตตะว่าจิตของเราเป็นสอุตตะหรือรู้ชัดจิตเป็นอนุตตะว่าจิตของเราเป็นอนุตตะ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 หรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งปราศจากโมหะว่าจิตของเขาปราศจากโมหะรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งหดหู่ว่าจิตของเขาหดหู่หรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งฟุ้งซ่านว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งเป็นมหคตะว่าจิตของเขาเป็นมหคัต หรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งไม่เป็นมหคตาว่าจิตของเขาไม่เป็นมหคตารู้ชัดจิตของผู้นั้นถึ่งเป็นสอุตตระว่าจิตของเขาเป็นสอุตตระหรือ alors, way, รู้ชัดจ ña, ิตของผู้นั้นเป็นอนุตตะว่าจิตของเขาเป็นอนุตตะรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งเป็นสมาธิว่าจิตของเขาเป็นสมาธิ หรือร hmm? well, ู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งไม่เป็นสมาธิว่าจิตของเขาไม่เป็นสมาธิรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งหลุดพ้นแล้วว่าจิตของเขาหลุดพ้นแล้วหรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งยังไม่หลุดพ้นว่าจิตของเขายังไม่หลุดพ้นภิกษุนั้นเเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดี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 รู้ชัดจิตหดหูว่าจิต marine, หดหูหรือรู้ชัดจิตฟุ้งซ่านว่าจิตฟุ้งซ่านรู้ชัดจิตที่เป็นมหคตาว่าจิตเป็นมหคต า, าหรือรู้ชัดจิตที่ไม่เป็นมหคต า, าว่าจิตไม่เป็นมหคต า, ารู้ชัดจิตที่เป็นสอุตตระว่าจิตเป็นสุตตระ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 โทมนัตเป็นไฉนความไม่สําราญทางใจความทุกทางใจความเสเวย อ, อารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสเวย อ, อารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัตอภิชาและโทมนัตนี้ดังที่กล่าวมานี้ถูกกําจัดถูกกําจัดปราบฆ่าสงบ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 สี่มมานุปัสสนานิเทศเห็นธรรมในธรรมภายในตน367ริ36ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในตนอยู่เป็นอย่างไรนี่วรณประปปะภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้กามฉันทะภายในตนซึ่งมีอยู่ว่ากามฉันทะภายในตนของเรามีอยู่ หรือรู้กามาฉันทะภายในตนซึ่งไม่มีอยู่ว่ากามฉันทะภายในตนของเราไม่มีอยู่ 1. ห น, นึง่งรู้เหตุเกิดแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดเหตุละกามฉันทะที่เกิดแล้วและเหตุที่กามาฉันทะซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปรู้พยาบาทภายในตนซึ่งมีอยู่รู้ถีนมิทธะภายในตนซึ่งมีอยู่ รู้อุทธัจจะกุกุจจะภายในตนซึ่งมีอยู่รู้วิจิกิจฉาภายในตนซึ่งมีอยู่ว่าวิจิกิจฉาภายในตนของเรามีอยู่หรือรู้วิจิกิจฉาภายในตนซึ่งไม่มีอยู่ว่าวิจิกิจฉาภายในตนของเราไม่มีอยู่อันหนึง่งรู้เหตุเกิดแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด เหตุละวิจิกิจขาที e. ่เกิดแล้วและเหตุที่วิจิกิขาซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปโพชังคปัพปะรู้สติสัมโพชงภายในตนซึ่งมีอยู่ว่าสติสัมโพชงภายในตนของเรามีอยู่รู้สติสัมโพชงภายในตนซึ่งไม่มีอยู่ว่าสติสัมโพชงภายในตนของเราไม่มีอยู่อหนึ่ง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 รู้สมาธิสัมโพธิชนภายในตนทึ่มีอยู่รู้อุเบกขาสัมโพธิชนภายในตนซึ่มีอยู่ว่าอุเบกขาสัมโพธิชนภายในตนของเรามีอยู่หรือรู้อุเปกขาสัมโพธิชนภายในตนของเราซึ่งไม่มีอยู่ว่าอุเปกขาสัมโพธิชนภายในตนของเราไม่มีอยู่อห น, นึ่งรู้เหตุเกิดแห่งอุเบกขาสัมโพธิชนที่ยังไม่เกิด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 นิวรณะพปะภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้กามฉันทะของผู้นั้นซึ่งมีอยู่ว่ากามฉันทะของเขามีอยู่หรือรู้การมาฉันทะของผู้นั้นซึ่งไม่มีอยู่ว่ากามาฉันทะของเขาไม่มีอยู่อนหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดเหตุละกามาฉันทะที่เกิดแล้ว และเหตุที่การมาชันทะซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปรู้พยาบาทของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้ถีนมิธะของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้อุทจักกุกุจจะของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้วิจิกิจฉาของผู้นั้นซึ่งมีอยู่ว่าวิจิกิจฉาของเขามีอยู่หรือรู้วิจิกิจฉาของเขาซึ่งไม่มีอยู่ว่าวิจิกิจฉาของเขาไม่มีอยู่อันหนึ่ง รู้เหตุเกิดแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเหตุละวิจิกิจฉาที่เกิดแล้วและเหตุที่วิจิกิจฉาซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปโพธชังขปภ ะ, ร, ะรู้สติสมโพชงของผู้นั้นซึ่งมีอยู่ว่าสติสมโพชงของเขามีอยู่หรือรู้สติสำโพชงของผู้นั้นซึ่งไม่มีอยู่ว่าสติสมโพชงของเขาไม่มีอยู่ อันหรู้เหตุเกิดแห่งสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดและเหตุเกิดบริบูรณ์แห่งสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดแล้วรู้ธรรมวิจยะ s, สัมโพชฌงค์ของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้วิริยะ s, สัมโพชฌงค์ของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้ปีติ s, สัโมสสโพชฌงค์ของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้ปัสัทธิสัมโพชฌงค์ของผู้นั้นซึ่งมีอยู่ รู้สมาธิสัมโพธิชงของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้อุเปกขาสัมโพธิชงของผู้นั้นตึงมีอยู่ว่าอุเปกขาสัมโพธิชงของเขามีอยู่หรือรู้อุเปกขาสัมโพธิชงของผู้นั้นตึ่งไม่มีอยู่ว่าอุเปกขาสัมโพธิชงของเขาไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งอุเปกขาสัมโพธิชงที่ยังไม่เกิด และเหตุจเจริญบริบูรณ์แห่งอุปเปขาสามพุทธชงที่เกิดแล้วพิกจุนั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีครั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงทรงจิตไปในธรรมภายในตนและภายนอกตนเห็นธรรมในธรรมภายในตนและภายนอกตน ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมในภายในตนและภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรนิวรณะปรพะพปะภิกษุในธรรมมีในนี้รู้กามาฉันทะซึ่งมีอยู่ว่ากามฉันทะมีอยู่หรือรู้กามฉันทะซึ่งไม่มีอยู่ว่ากามฉันทะไม่มีอยู่อนหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดเหตุ ละกามฉันทะที่เกิดแล้วและเหตุที่กามฉันทะซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปรู้พยาบาทซึ่งมีอยู่รู้ถีนมิทะซึ่งมีอยู่รู้อุทจักกุกกุจจะซึ่งมีอยู่รู้วิจิกิจฉาซึ่งมีอยู่ว่าวิจิกิจฉามีอยู่หรือรู้วิจิกิจฉาซึ่งไม่มีอยู่ว่าวิจิกิจฉาไม่มีอยู่อหนึ่ง รู้เหตุแห่งวิจิกริชฌาที่ยังไม่เกิดเหตุละวิจิกิชฉาที่เกิดแล้วและเหตุที่วิจิกริชฌาซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปโพษชังคปภรู้สติสัมพดชงซึ่งมีอยู่ว่าสติสัมพดชงมีอยู่หรือรู้สติสามพดชงซึ่งไม่มีอยู่ว่าสติสัมพดชงไม่มีอยู่อันหนึ่ง รู้เหตุเกิดแห่งสติสัมพจนชงที่ยังไม่เกิดและเหตุเจริญบริบูรณ์แห่งสติสัมโพจนชงที่เกิดแล้วรู้ธรรมวิทยาสัมโพจน์ชงซึ่งมีอยู่รู้วิรยวิยสัมพจธ์ชงซึ่งมีอยู่รู้ปีติสัมพจนชงซึ่งมีอยู่รู้ปััธิสัมพจนชงซึ่งมีอยู่รู้สมาธิสัมโพจนชงซึ่งมีอยู่รู้อุเบก ข, ขาสัมโพจนชงซึ่งมีอยู่ อุเปกขาสัมโพธชงมีอยู่หรือรู้อุเปกขาสัมโพธชงซึ่งไม่มีอยู่ว่าอุเปกขาสามโพธชงไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งอุเปกขาสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดและเหตุเจริญบริบูรณ์แห่งอุเปกขาสามโพธชงที่เกิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในตนและภายนอกตนอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนต์ในโลกได้368ในคำว่าพิจารณาเห็นนั้นการพิจารณาเห็นเป็นไฉไนปัญญากริยาทยี่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ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 พิสุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วก็มาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยความเพียร น, นี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีความเพียร371ในคําว่ามีสัม ป, ปชัญ ญ, นนปป ะ, ญ, ญนะนั้นสัมปชัญญะเป็นไนปัญญากริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสัมปัช ญ, ญะภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยสัมปัช ญ, ญะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสัมปัช ญ, ญะ372ในคำว่ามีสตินั้นสติเป็นไฉนสติความตามระลึกเป็นต้นละ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 ตันธภาชนีจบ